มีความประสงค์จะช่วยเหลือพระโพธิเจ้าข้าภิกษุเธอมีความประสงค์จะช่วยเหลือไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่9กสองสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทายจิตคิดว่าเจ้าของจะเห็นจึงปล่อยสุ ก, กรที่ติดบ่วงไปแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุ เธอต้องอาบานบปาราชิกวงเล็บเรื่องที่93บสาม